ก็ถือว่าเราได้มานะมามาสนทนาคุยกันเราคุยเรื่องสําคัญด้วยอืเป็นเรื่องที่พวกเราเป็นทางลอดทางเดียวของชีวิตเรานะเราทําวัดอยอมนะทุกโศตินนานะเป็นผู้ความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกข ะ, ปะเปรยตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อเปวนาอิมัสสะเกวราสสะทุกขันตัสสะอันตะกระยายปัญญาเยตาติทำชะไหนการทาที่สุดแห่งกองทุกจะพึงปรากฏทำรรชะไหนาการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ใช่ไหมเราหาวิธีทุกอย่างจะออกจากทุกแล้วทุกที่ที่ที่ตั้งแต่เกิดแกอะไรบ้างต่าง นะทุกที่มันมันมั น, ม, นมันเราสัมผัสได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเตทีผู้ดียาจกประราชามหากระสัทตีแบาอริยสั์เป็นความจริงนะที่เราสัมผัสได้ตลอดโสกับบริเตวะเห็นไหมทุกขโทมนัทความเศร้าโศกความล่ำไรลำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจตัวนี้บิบคั้โยมตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กโอเข้ากระบวนการพัฒนามาการศึกษามีงานทำมีครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวออกไหมนี่โยมมันมันสาหัสมากนะกตัวนี้่ตัวนี้มัน โอ้โหทำจะไหนต้องมองจะมองในตัวเองนะยอมนะต้องประเมินตัวเองนะอย่ามามองแต่มาดูดูในนี้แล้วเราจะรู้คนทั่วโลกเลยนะทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกจะพึงปรากฏได้แล้วปรากฏยังเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ล้านปราฏมไหม นั่นแหละโยเห็นไหมเล่ามันอะไรนี่นี่พูดสภาวะนะัยมันนะเขาสภาวะธรรมนะไม่ได้ไม่ได้เจตนาพูดให้ให้โยมเป็นอย่างอื่นไม่ไม่มีเจตนาแต่อยากจะบอกไงว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาเจออะไรทุกคนเนี่ยที่นั่งมาเนี่ยอาตมาก็ดีพระทุกลูกเนี่ยโวตมาเนี่ยโยมทุกท่านเนี่ยเต่ามาตรงนี้โยมเราเรา ตะเกียรตะกายนะเนี่ยตะเกียรตะกายอยากจะหนีเนี่ยไอตัวตัวที่มันบีบคั้นเราเราที่เรามานะเพราะอะไรคนที่เขาไม่ได้มาที่เขาหาทรัพย์หาสมบัติเขาก็จะหนีตัวนี้เหมือนกันหาเงินหาทองเพื่อจะเอาตัวนี้ออกเหมือนกันทุกอย่างตะโยมเป็นไงเอาเราประเมินนะประเมินเหมือนผลเป็นไง นี่พูดพูดพูดตับเอ็ดธรรมะอยู่ทาไมคนมีจะเป็นพระราชาก็ดีเห็นไหมเคยไหมมั้ยอย่างพระราชาเศรษฐีก็ละบดีนิยมกีฬาล่าสัตว์เคยได้ห็นไหมพระราชาเมื่อก่อนยังประพาสล่าสัตว์อะไรเราก็เห็นใน ต, ตำนานอ่านมาต่างต่างเขาจะ ต, ต้องการห น, นีนี่ไงตัวนี้มันร้องมันเบื่อมันเหงามันอะไรต่างๆต้องไปผ่อนคลาย หาทางออกตัวนี้ยอมตัวนี้ตัวเบื่ อ, ต, ววอตัวที่เราทาไมยอมมาจากบ้านมาเพราะอะไรทำไมเรงต้องไปเที่ยวทำไมเราต้องไปโน่นทำไมเราต้องไปนี่ไปทำไมยอมไปทำไมแล้วไปเราก็ได้อะไรไหมเอาไปเที่ยวเบื่อไปเที่ยวไปเที่ย ว, ยวมาโอเหนื่อยซอมมาเลยแล้วเราเราได้อะไรทุกข์ลดไหมเอาคุณไปไหนไปไปยุโรปไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไป ต้นหมดแรงไปก็ไม่ไหวอย่ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะเนี่ยอิที่จยจะบอกให้ฟังนะโยมนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันใหญ่มากสำหรับนะสำหรับชีวิตของเราที่ต้องการจะรอดยมมาถายมจากต่างประเทศก็มีอะไรก็มาเนี่ยมาทำไมทำไมต้องมายมจะไปโน่นแล้วทุกคนเ็าอิจฉาใช่ไหม เนี่ยโอายไปอยู่อเมริกาไปอยู่อังกฤษไปอยู่ยุหลบไปเป็นโน่นไปนี่หลายคนมองอิจฉาแต่เราก็อิจฉาตัวเองหรือสมเพศตัวเองถ้าไม่มีธรรมะนะไม่มีมทางหรอกฉะนั้นสิ่งที่ที่ที่ ท, ที่ที่เราทําเนี่ยมันมันพลิกชีวิตจริงๆอาตมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะไม่ก็ไม่รู้ไม่ไอธรรมะธรรมเบื้องต้นเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ย แต่รู้รู้แต่ว่ามันเหงามันเบื่อรู้มันเหงามันเบื่อแต่เราก็ไม่รู้อะไรมากกว่านนะั้นแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมีพี่ชายปู่ปู่เ่ยนิยมนี่มีพี่เราอายุสิบเจ็ดปีมีพี่ชายเป็นลูกลุงเขาก็จะเป็นแบบโยมนี่แหละนะมีกลุ่มปฏิบัติธรรมเขไปนั่งวิปัสสนาไปนั่งกรรมฐานไปเป็นกลุ่มโยมเป็นเป็นกลุ่มของโยมไว้ปฏิบัติกันเราก็เด็ก อายุ17ปีนะพี่ตอนนั้นเขาก็อายุ20 25 26ลูนพี่ลูกซึ่งซึ่งซึ่งพี่คนนี้เขาก็นาค่อนข้างจะสนิทกับอัตามามากแล้วเป็นคนที่ถือเครื่องลางของขั ง, งขึ้นนะทำไมเขาจะเล่นพระเล่นอะไรต่างๆเป็นคนที่ถือของขังเพราะ ง, ง, งั้นเถอะ แล้วมันมันเขาขังนีง่จริงตัวเขานะเคยขังในในลนักษณะการถือของขังตอนมาเป็นเด็กจะเห็นพี่เขาเป็นคนอย่างนั้นจะพูดเรื่องนักแกง่งเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งอาตมาพอออกโรงเรียนแล้วก็อาตมาเกิดจากจังหวัดพิจิตรนะไปอยู่กับอาทิพเพชรบุรีไปอยู่พอออกโรงเรียนประถมก็ไปอยู่กับอากลับมาก็เนี่ยอายุสิบเอ็ดปี ก็มาเจอพี่เนี่ยเขาก็จะเขาเปลี่ยนไปจากไอ้มีพระลุงพ่ออะไรต่างเ้าก็เปลี่ยนไ ป, เ, เ, เ, ป, นไปเขาก็เริ่มคุยเรื่องธรรมะนะคุยธรรมะนั่งกรรมฐานแล้วสงบอย่า ง, งนั้นนี่แต่เขานั่งแบบแบบธรรมถักนั่นแหละเขาคุย <c oughs> แต่ว่าเรามันอยู่ในใจมันอยู่ในใจตมะนะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรแต่อยู่ในใจตัวนี้อยู่ในใจเรา เนี่ยนะต้นทุนต้นทุ น, น, น, นมันจะอยู่ในใจอยู่ในใจเราทีนี้อยู่ในใจเนี่ยโยมมันมีผลกับเราเขาจะพูดว่าเอ้ยนั่งสมาธิแล้วน้ามันมจะสงบยิ่งจะใสทํานองเนี้ยเขาจะพูดอย่างนี้มีความสุขมากอาตมาไปเที่ยวนะก็มหาสุรินมาหาสุรินยังยังคงเจงไม่มานะก็ปีเดียวกันแต่เขาเป็นลูกลุงเป็นน้องเป็นน้องพี่พีคนที่ว่าเนี่ยเกิดเกิดพร้อมอาตมาปีปีเดียวกัน แต่เที่ยวมาด้วยกันเราไปเที่ยวเราก็มันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกแต่มาก็นั่งนะกลับมานั่งไปเที่ยวมานี่ามานั่งแต่มานั่งไม่ได้กรรมฐานหรอกมันก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงคนนั่นคิดถึงคิดไปแต่เราก็นั่งเันก็มนั่งอาบวัถึงบวชอาตมาก็นั่งตั้งแต่บวชมันเกิดตรงนี้นะนี่นี่คือคือความจิตจิตเขาไม่ได้ไม่ได้ไไ ด, ดที่พูดเนี่ยโยม แตตามาบวชตั้งแต่สองศูนย์นะเดีนี้ก็ตั้งสี่สิบปีแล้วนะไม่ใช่ที่พูดที่ฟังนะัมันไม่ไม่ใช่ว่า เ, เราไม่ได้ปล่อยตัวเลยนะไ ม, ไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรตามาก็ทําั้งแต่ตามาอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครใครใครนั่งใครทำํำแต่ตามาทําแล้วก็เที่ยวแสวงหาตั้งแต่บวชเริ่มบวชมากระเถิดไปหาอาจารย์นอนไปหาอาจารย์นี้สลวงพ่อพุทธทาสไปทําเสือไป นะหาป่าไปไม่รู้จิตนก็ไปอยู่ไม่ได้ไปไม่รู้ไปเพราะไปเพราะอะไรก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ตรงไปแ้่ไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่ว่าเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ไอ้เตียงเที่ยวเนี่ยจะมาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้จะไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวไม่ไปจิตไม่ไปถ้าไปอย่างเงีไปทวนขวายอยากค้นทุกอยากความรู้สึก อยากข์ไปแล้วจะมาทําอย่างไงมาเนี่ยโยมโยเริ่มทำทำทำทำไอ้ที่เรียนไปเรียนหนังสือนี่เรียนโดยโดยโด ย, โดยไม่ไม่บังเอิญไม่ได้ตั้งใจหรอกที่ว่าเป็นมหาเป็นอะไรมาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นหวังตั้งแต่เกิดมาหวังได้หวังอยากจะพ้นทุกข์ไงพยายามทําไปได้ไปหาครูบาอาจารย์มาเราพยายามมานั่งมาปฏิบัติไงไปศึกษา เอาแนะนําให้มาเดินจงกรมหนอบอกอะไรต่างเราก็พยายามจะทําเต็มที่แต่มันทําไม่ได้ไงเนี่ยทําเนี่ยโยมทุกคนไม่ไม่ได้มันทําตั้งใจทํานะตอนจะเอานั่งได้แล้วพอสายเข้ามา อ, อ๋อเบื่อบ้างขี้เกียจบ้างไปคุยกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันไปเนี่ยทํำไ้นั่งนั่งอานั่งสิวโมงนึงคุยกันเถอะเราไม่สามารถจะทําได้เราไม่สามารถจะทำได้ ไปพวกกรรมาฐานทั้งหลายเอาไปละไปไปล ะ, ปละเดี๋ยวไปไปไปฏิบัติปฏิบัติแค่ไหนขีนาเทอ่ะอย่างมาทำว่าแต่อ่านั่งจมวงสองจมวงจากนั่งคุยกันอะไรกันมันเป็นอาการอย่างนี้เราอยากทำความเพลียนตั้งใจทความเพี่ยนแต่ทำไมเราอดคุกคีไม่ได้อดคุยไม่ได้ทำไมเราเป็นอย่างนี้แตม่มันเห็นตรงนี้ไม่รู้จะทำยังไงเราไปคุยกับเพื่อนมันก็เรื่องทางโลกไง คุยอะไรก็เหมือนลูกเอายมตั้งเกตดดูไหมอดคุยได้ไหเปล่าอยู่ได้ไหรเปล่าจิตเป็นวิเวกไหมมันถลแบบไปเรื่อยเรามาคิดยังไงอยากพ้นทุกข์นะประกอบจะอยากจะาพ้นทุกข์จะไปอยู่ถ้าไปเข้าป่าแต่ไปทําไม่ได้ตําลังเราไว้พอทําไงเอาคิดเอาเ ร, าเ ร, รเาเรียนบาลีไอเรียนบาลีเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่ออะไรเพื่อเอาเอาเอาตําหลาเป็นเพื่อนเรา